7 หมวดว่าด้วยเขียงเท้าทุกกาวรรคหมวดว่าด้วยเขียงเท้าสิกขาบทที่ 1 พึงทำความจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นใคร่ผู้สวมเขียงเท้าภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อ อานาปัตติวาระภิกษุต่อคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 1 จบสิกขาบท 2 เรื่อง สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระครั้งนั้นพวกภิกษุชาปกขีแสดง 2 พึงทําความเรื่องพระจบ สิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นใคร่ผู้สวมรองเท้าภิกษุใดมิเอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็น 1 ภิกษุ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุผู้ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 2 จบสิกขาบท 3 เรื่องพระชัพพัคคีสมัยนั้น เกครั้งนั้นสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภักขีแสดงธรรมแก่จบสิกขาบทวิภังค์ที่คานหามรถเกวียน เตียงหามหามวเปลหามภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไคลผู้อยู่ในญาณ 4 ภิกษุผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุผู้ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 3 จบสิกขาบท 4 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้ พวกภิกษุชาภคีแสดงธรรมแก่คน 4 พึงทำความสำเนียกว่าจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่พึง แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้อยู่บนคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุผู้มี 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่ 4 จบสิกขาบท 5 เรื่องพระจักขภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค ภาพึงว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่ สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระ เรื่องพระจักรภคีจบสิกขาบทวิภังค์ที่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 เรื่องพระจักขภคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคีแสดงธรรมแก่คนผู้คลุมศีรษะ เรื่องพระชัพพคีจบสิกขาบทวิภังที่ชื่อว่าคลุมศีรษะคือท่านกล่าวถึงผู้ห่มผ้าคลุมตลอดศีรษะภิกษุวาระภิกษุต่อ คือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุ 7 จบสิกขาบท 8 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มี เรานั่งที่พื้นดินอย่าไม่แสดงธรรมแก่คนที่ อนาปัตติวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุผู้ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้น 8 จบ 9 เรื่องพระจักขภคีสมัย ฉะนั้นพวกภิกษุชาภคีจึงนั่งบนอาสนะต่ำแสดง ทรงสอบถามภิกษุชาปกีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอ แสดงธรรมแก่พลผู้นั่งบน ปัญญาของปุโรจันทร์ฐานคนหนึ่งในกับสามีว่านายดิฉันกําลังตั้งครรภ์ทุกฤดูอยู่ต้น บุรุจจันถานจึงไปถึงที่ต้นมะม่วงครั้นถึงแล้วได้ขึ้นไปแฝงกายอยู่บน ชื่อว่ามิใช่พระราชาผู้ทรงธรรมพราหมณ์คนนี้ที่นั่งบนอาสนะ คนทั้งสองคือพราหมณ์ผู้สอนมนต์และพระราชาผู้ทรงเรียนมนต์โดยไม่เคารพธรรมย่อมไม่รู้ นั่นเป็นเป็นเหตุให้ตกต่ำและเป็นการครองชีพโดยมิชอบการครองชีพอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ท่านมหาพรหมท่านรีบไป ภิกษุทั้งหลายแม้ในการนั้นพราหมณ์นั่งบนอาสนะต่ำสอน 9 พึงทำไม่แสดงธรรมแก่คน แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไคล้ผู้นั่งบนวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 3 ภิกษุ 4 ภิกษุ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุวิคคน 7 ภิกษุ สิกขาบทที่ 9 จบสิกขาบทที่ 10 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มีพระ เรายืนอยู่จักจบสิกขาบทวิภังภิกษุยืนอยู่ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็น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 สมัยนั้นพระผู้อารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคีเดินอยู่ข้างหลังแสดงธรรมแก่ที่ไม่เป็นใครผู้เดิน เรื่องพระจักรภคีจบสิกขาบทวิภังภิกษุเดินอยู่ข้างหลังไม่พึงแสดงธรรมแก่คนคือ 1 เร 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุผู้ไม่ 4 ภิกษุผู้เป็น 5 ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 6 ภิกษุ 7 ภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบท 11 จบสิกขาบท 12 เรื่องพระชัพพคีสมัยนั้นพระผู้มี อารามของอนาถบิเนกขะเศรษฐีเขตรงสาวทีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภักขีเดินอยู่นอก สิกขาบทวิภังภิกษุเดินไปนอกทาง 3 ภิกษุผู้ไม่รู้ 4 ภิกษุผู้ 5 ภิกษุ 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 12 จบสิกขาบท 13 เรื่องพระจักรภคีสมัยนั้น เกขรุงสาวถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาภคียืนถ่ายอุจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างละถึงจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่เป็น ภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไคลยืนถ่ายคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่ สิกขาบทที่ 13 จบสิกขาบทที่ 14 เรื่องพระชัพพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ 74 พึงทำความสำเนียกจบสิกขาบทวิภังภิกษุไม่เป็นไคลไม่พึงถ่าย หรือบ่นน้ำลายลงบนของเขียวต้องคือ 1 ภิกษุไม่จงใจ 2 ภิกษุไม่มีสติ 3 ภิกษุ 7 ภิกษุวิคนจริต 8 ภิกษุต้น 14 จบสิกขาบท 15 เรื่องพระชาภคีสมัยนั้นพระผู้มี บ่นน้ำลายบ้างลงในน้ำ ฉะนั้นพวกภิกษุชาภักขีจึงถ่ายอุจาระบ้างถ่ายปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้าง ทรงสอบว่าภิกษุว่าพวกเธอถ่ายอุจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ําลายบ้างลงในน้ําจริงหรือพวกภิกษุชาภคีทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มี หรือทํา เรื่องภิกษุผู้เป็นไข้สมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นไข้ยำเกรงอยู่ที่ว่า ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไคลถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้าง สิกขาบทวิภังภิกษุไม่เป็นไคลไม่พึงถ่ายอุจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงวาระภิกษุคือ 1 ภิกษุ 2 ภิกษุ 4 ภิกษุผู้เป็นไข้ 5 ภิกษุทายบนบก 6 ภิกษุ 7 ภิกษุ 8 ภิกษุ 9 ภิกษุ 10 ภิกษุต้น 15 จบปาธุ 7 จบบทสรุป ธรรมคือเสขิยะทั้งหลายข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในธรรมคือเสขิยะเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ 2 ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ 3 ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรม ข้าพเจ้าขอถือแปดนิ่งนั้น ธรรมคืออธิกรณะสมถะ 7 เหล่านี้มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลําดับธรรมเป็น 5 พึงให้เยภูยะสิกา 6 พึงให้ตัสสปาปิยสิกา 7 พึงให้ ข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่ 2 ท่านทั้ง<คร> ท่านทั้งหลายนิทานข้าพเจ้าปราชิก 40 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้น ธรรมคือปาจิตติ 92 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 7 ข้าพเจ้ายก มาสู่ข้อๆตามลำดับทุกกึ่งเดือนพวกเรา